ร่วมเทิดทายองค์วรการปลายฟ้าฟ้าเป็นชื่อ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 ต่อไปนี้ขอ จงปั้นใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดคุณมนชีบศิวะ สมัครงานหมอกสลายที่ปลายฟ้ากระทรวงความเดิมตอนที่แล้วหมอกสลายโดยใช้สันติวิธีปลายฟ้าตอน 8 ไม่เสียดจิวกับความจรไม่ค่อย เขียนอะไรนะหยหวันตั้งแต่กลับจากอนามัยแม่เห็นแก่ เป็นความตั้งใจของหวันอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วจะบ่นทำไมหรือว่าขอให้ได้บ่นครูใหญ่ก็พอใจแล้วใช่ไหมใจของหวานอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วอ๋อ อืมหมู่นี่บ้านอ่ะแก่ สวัสดีค่ะคุณปลัดถ้ามีธุระจะคุยกับแม่แล้วก็ฉัน ใครจะแก้ไขหรือว่าแก้ปัญหาคนเดียวน่ะมัน เราจะมองคนติดยาอย่างค่ะ เงินผู้ๆหรือไงวะอุ้ยผิดจอดพี่อึงอ่ะ ออกขั้นไม่ว่าคน โอ๊ยค่ะเอ้ยใครแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วช่วยด้วยมึงอะไรกันไอ้ นี่ไงบ้างไอ้แสนโอ๊ยแม่มันเลือกอะไรกันถึงจะกล้าจะเอหรือว่าจะไปแจ้งสํารวจดี นี่หรอรอครูใหญ่มารับเหรอคะกล่าวแล้วเจ้าแข้พี่จะไป ใครล่ะแค่หรือว่าครูใหญ่ช่วยด้วยค่ะคุณหมอไอ้ค่อยๆ แพทย์ตอนของเรายังไม่มาสักทีคะตอนเนี้ยอ๋อช่าง มาช้ายะดีกว่าไม่มาแล้วก็ไปแก้ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จเด็ด นักเรียนนักเรียนทุกคนฟังทางนี้นะครับนักเรียนทุกคนฟังทางนี้นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูใหญ่คุณครูและแหมหัวเราะ ก่อนที่ว่าโอ้ เห็นไหมคะไหมคะว่าการติดยาบ้าหรือ ก็มีโจรวิ่งราวไส้คอแม่ค้า ครั้งแรก อยู่บ้านนะนี่นี่ทางเปล่าเปล่าเปล่าอะไรหน้ามองเข้ามาในบ้านฉันตั้งนานแล้วนะใจสักเท่าไหร่มีมีใครอยู่ไหมก็ยืนอยู่นี่ ฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้กัญชลิกาอ้ายเจ้าของอ๋อที่แท้ก็รู้จักกันแท้ใช่เฮ้ยอะจะใช่ครับอ่ะ นายอึ่งเลยสงสัยๆคุณๆชื่อ พ่อใช่มั้ยแล้วแฟนอื่นฉันฉันอยากได้ยานี่ ออมให้ฉันหน่อยสินะนะพี่อึ้งนะเซียนขึ้นมาแล้วสิถึงอะนี่นี่ตังค์อ่ะยังยังไม่มีวะแล้วจะเล่นของฟรี มึงน่ะเกือบโดนรถพี่กําจอนชนๆใช่ครับใช่ครับแล้วทําไมต้อง อย่า กลับแล้วนะค่ะครูใหญ่อ้าวเดี๋ยวที่ไปไหนล่ะครับทานข้าวกลาง แล้ว หาหมอไปแทนข้าไหนบอกว่าจะอ๋อคือพอเดี๋ยวก่อนๆต่อ เช่นว่าจัดให้นักเรียนเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติในปี ขอปรบมือให้ว่าจริงว่าบ้า มาเรียนจะรู้เรื่องหรอเชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับถึง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 ผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะทินดาเกศรีเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีระก่อ 9 ชาวศรีลักษณ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิพัฒนะดินดา